ตอนที่20งยสยังมีแก่ใจเรียนหนังสืออีกเวลาสามทุ่มหน้าโรงภาพยนตร์แทบไม่มีผู้คนหลงเหลืออยูเซียเมียวอวินรู้สึกแปลกใจว่าทำไมหยวนเยียนเยียนถึงเลือกนัดนางออกมาในเวลานี้เมื่อเช้านางไม่อยู่บ้านหยวนเย็นเยียนยังอุตส่าห์ฝากข้อความกำชับให้นางออกมาพบให้ได้ริมถนนฝั่งตรงข้ามโรงภาพยนตร์มีรถยนต์สีดาคันหนึ่งจอดอยู่เซียเมียวอวินมองซ้ายมองขวาก็ยังไม่เห็นเงาของหยวนเยียนเยียนทางนี้ กระจกรถเลื่อนลงเซียวเมียวอวิ๋นเห็นชัดว่าเป็นหยวนเย็นเย็นใบหน้าของนางก็ปรากฏรอยยิ้มยินดีขึ้นมาทันทีเย็นเย็นเวลานี้คงไม่มีหนังฉายแล้วมั้งหรือว่าเจ้าอยากนัดข่าออกมาหาอะไรกินหรือพวกเราจะไปหาที่นั่งกินไปคุยไปกันดีไม่มีคนนัสีดีไม่ใช่หรือมุมปากของหยวนเย็นเยียนประดับด้วยรอยยิ้มบางๆนางสงสายตาเป็นสัญญาณให้เซียวเมียวอวิ๋นขึ้นรถเซียวเมียวอวิ๋นยังไม่ทันเข้าใจความหมายในคําพูดนั้นหยวนเย็นเยียนก็เอ่ยต่อ ที่เมียวอวิ๋นท่านว่าาควรจะขอบคุณท่านอย่างไรดีนะขอบคุณค่าเซี่ยเมียวอวิ๋นตระหนักได้ทันทีว่าหยวนเยียนเยียนคงจะพิสูจน์จนเห็นท่าแท้ของหลีหวานแล้วแน่แน่นางรู้สึกว่าแผนการของตนสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วเยียนเยียนจะไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกเรื่องที่ข้าทำไปทั้งหมดก็เพื่อเจ้าทั้งนั้นข้าไม่อยากเห็นเจ้าถูกหลีหวานปั่นหัวเล่นเหมือนคนโง่อืมนั่นสินะรอยยิ้มที่มุมปากของหยวนเยียนเยียนจางลงเล็กน้อยข้าต้องขอบคุณท่านจริงๆรถ้าไม่ใช่เพราะท่านข้าก็คงไม่่รู้้ววาาตัเเองงงงมกถึีียน ถูกท่านปั่นหัวเล่นเหมือนเบีย้ยในกำ ม, มือได้อย่างง่ายดายทำเอาตระกูลหยวนของข้าต้องขายหน้าไปหมดเหยนเหยนเจ้าพูดเรื่องอะไรข้าไม่เข้าใจใบหน้าของเซียลเมียวอวินปรากฏแววกระอักกระอ่วนขึ้นมาทันทีนางอ้าปากค้างคล้ายจะพูดแต่ก็หยุดไปท่านนิงจะมาแท้งคำเป็นไขสืออีกหรือก็เพระข่าหลงเชื่อคำพูดของท่านถึงได้ไปล่วงเกินที่สไพช์เข้าคนที่พี่ชายข่าตาถึงขนาดนั้นนิสัยใจคอจะแยกไปได้อย่างไรท่านเกือบจะทำข้าพังพินาศแล้ว หยวนเย็นเย็นโน้มตัวเข้าไปใกล้เซีย่เมียวอวิ๋นจ้องมองนางขมแขงพร้อมกับขบกรามแน่นทำเอาข้าถูกพี่ชายสั่งสอนแต่ข้าจะบอกท่านไว้ให้ท่านหาเรื่องผิดคนแล้วเย็นเย็นมันไม่ใช่แบบนั้นนะเซี่เมิวอวิ๋นสายหน้านางย่อไม่อาจยอมรับเจตนาที่แท้จริงออกมาได้เพราะยังไม่อยากสูญเสียมากที่ใช้ประโยชน์ได้ดีอย่างหยวนเย็นเย็นไปเอาละถึงเวลาที่พวกเราต้องสังสรรบัญชีกันเสียทีแววตาของหยวนเย็นเย็นเย็นเยียบลงนางไม่พูดอะไรอีก เซียมิยวอวินรู้สึกเพียงว่าประตูรถด้านข้างถูกคนจากภายนอกกระชากเปิดออกจากนั้นนางก็ถูกฉุดกระชากออกไปกว่าจะรู้ตัวว่ามีบางอย่างผิดปกติก็สายเสียแล้วเหอยเฮ่แม่นางคนนี้สวยไม่เบาคืนนี้พวกเราช่างมีบุญจริงๆไปรีบไปเร็วเข้าเวลาในคืนวันสารมีค่าดั่งทองพันช่างปล่อยข้าพวกเจ้าจะทำอะไรปล่อยข้านะ ยวนเย็นเย็นมองดูเซียวเมียวอวินถูกลากเข้าไปในตรอกมืดอย่างเย็นชาก่อนจะค่อยๆเลื่อนกระจกรถขึ้นคุณหนูครับคนขับรถเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าตกใจกับการกระทําของหยวนเย็นเยียนเป็นอย่างมากอือไม่เป็นไรยวนเย็นเย็นเอ่อย่างไม่ใส่ใจในเมื่อกล้าปั่นหัวข้าแรงขนาดนี้อย่างไรข้าก็ต้องเรียกเก็บดอกเบี้ยจากนางบ้างจะว่าไปวิธีแก้แค้นดีๆแบบนี้พี่ชายลูกพี่ลูกน้องก็เป็นคนสอนข้ามาเองแหละใช้ได้ผลดีทีเดียว กระจกรถกั้นเสียงจากภายนอกได้เพียงบางส่วนเท่านั้นในดวงตาของหยวนเยียนเยียนใช้แววรังเกียจจนอยากจะอาเจียนกลับบ้านครับเดี๋ยวถ้าคุณพ่อคุณแม่ถามถึงเรื่องนี้เจ้าก็บอกไปตามตรงได้เลยไม่ต้องปิดบงังหลังจากเงียบไปนานหยวนเยียนเยียนก็เอ่ยขึ้นอีกครั้งคนขับรถเข้าใจแล้วครับ สุดท้ายหยวนเฟยก็ยังทํำใจส่งหยวนเยน็นเย็นไปต่างประเทศไม่ลงเป็นลูกผู้หญิงตัวคนเดียวส่งไปต่างประเทศก็ไม่วางใจสู้ให้อยู่ในสายตาคอยเฝ้าดูจะดีกว่านางจึงไม่มีโอกาสได้เข้าร่วม ง, งานแต่งงานของพี่ชายเพราะถูกส่งตัวไปอยู่ที่โรงเรียนทันทีหยวนเยน็นเย็นรู้ตัวว่าครั้งนี้ทําผิดไปจริงๆตลอดทางนางจึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตามปกติแล้วเรื่องเล็กน้อยอย่างการไปส่งนางที่โรงเรียนไม่จําเป็นต้องถึงมือหยวนเศร้าเหงิงแต่เขาเป็นฝ่ายเสนอตัวออกมาเอง ระหว่างทางไปโรงเรียนหยวนเยียนเยียนอารมณ์ไม่สู้ดีนะครั้งนี้เป็นโรงเรียนประจำสองสัปดาห์ถึงจะได้กลับบ้านครั้งหนึ่งครั้งหน้าที่ได้กลับบ้านก็คงจะเลยงานแต่งงานของพวกเขาไปแล้วนางรู้ดีว่าพี่ชายคนโตไม่มีทางตามใจถึงขั้นมาส่งด้วยตัวเองแน่แน่คงจะมีเรื่องอะไรอยากจะพูดกับนางเป็นพิเศษหยวนเหยียนเยียนก้มหน้าลงอย่างหดหูที่ข่าก็ขอโทษที่สะพ้ยไปแล้วถ้าพี่ยังไม่พอใจอีกแล้วจะให้ข่าทำอย่างไรถ้าไม่ได้จริงๆให้ข่าไปคุกเข่าต่อหน้าพี่สะพ้ยเลยดีไหม พี่สプライของเจ้าไม่ได้เก็บมาใส่ใจเลยสักนิดหยวนเศร้าเหิงปลายตา ม, มามองนางอย่างเรียบเฉยก่อนจะเอ่ยต่อที่มีเรื่องอื่นจะถามเจ้าเรื่องเซียวเหมียวอวินมันเป็นมาอย่างไรผู้หญิงคนนั้นสมควรแล้วตั้งแต่ข้าโตมายังไม่มีใครกล้ามาปั่นหัวข้าเล่นแบบนี้เลยหยวนเย็ยนเย็ยนแค่นเสียงเหอะพวกหยวนเจร่างอย่างมากก็แค่คิดแผนการเล่นงานหยวนเศร้าเหิงแต่ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับนางสาเหตุหลักก็เพราะนางไม่มีอำนาจไปแข่งขันอะไรกับพวกเขาได้ เมื่อเช้านี้มีคนพบเซี่เมิ่งเ อ, อวินนอนขดตัวอยู่ในตรอกในสภาพเสื้อผ้าหลุดลุ่ยแทบไม่ปกปิดร่างกายเดิมทีตระกูลเซียยตั้งใจจะทำให้เรื่องเงียบพิสุดยิ่งคนรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบจนได้จึงต้องแจ้งความเพ ว, ว่ากลับจับใครไม่ได้เลยจนเรื่องราวเริ่มบานปลายตระกูลเซียยเคยไปหาหยวนเฟยแต่เขาไม่ยอมรับตระกูลเซี่วจึงไม่มีหนทางอื่นนอกจากต้องยอมกล้ามกลืนฝืนทนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไปเจ้าใจกล้าเกินไปแล้ว ที่ไม่ได้บอกว่าเจ้าจัดการเซียเมียวอลวินไม่ได้แต่เจ้าต้องรู้ว่าวิธีจัดการคนมีตั้งมากมายเจ้ากลับเลือกใช้วิธีที่บุ่มบ่ามที่สุดหยวนเศร้าเหิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเยน็ยนเย็นต่อไปไม่ว่าจะทําอะไรต้องคิดให้รอบครอบเจ้าไม่กลัวหรือว่าตระกูลเซียจะใช้วิธีเดียวกันนี้มาจัดการเจ้าบ้างถึงตอนนั้นเจ้าจะทําอย่างไรเจ้าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ไม่มีแม้แต่ความสามารถจะปกป้องตัวเองหยวนเยน็ยนเยน็นสัมผัสได้ว่าพี่ชา ย, ยงคงเป็นห่วงนางอยู่ในใจจึงรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก ที่วังใจเธอฆ่าฉลาดจะตายอีกอย่างข้าอยู่ที่โรงเรียนเวลาไปกลับก็มีคนที่บ้านขับรถรับส่งตลอดไม่เป็นไรหรอกเจ้าคิดเรื่องนี้ง่ายเกินไปแล้วหยวนเซ้าเหิงปรึกษากับหยวนเฟยมาแล้วตระกูลเซี่ยวคงไม่ยอมอยู่เฉยแน่พวกเขาต้องดูแลหยวนเยียนเยียนให้ระดกุมยิ่งขึ้นตอนนั้นหยวนเยียนเยียนไม่ได้คิดอะไรมากแค่อยากจะระบายโทสะออกมาให้สะใจเท่านั้นผู้หญิงอย่างเซี่ยวเมิ่อวหวินไม่คู่ควรจะก้าวเข้าประตูตระกูลหยวนของเราเลยสักนิดดูไปดูมาก็มีแต่หลีหวานที่เหมาะสมกับพี่ที่สุด ขอบใจสําหรับคําอวยพรหยวนเซาเหิงถือเสียว่า น, นั่นคือคําอวยพรจากนางอย่างไรเสียก็เพราะนางยังเด็กเกินไปทําอะไรจึงยังไม่รอบคอบนะักงานแต่งงานของหยวนเซาเหิงกับหลีหวานใกล้เข้ามาทุกทีในคืนก่อนวันแต่งงานหลีนอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงนอนอย่างไรก็นอนไม่หลับในหัวมีแต่ความรู้สึกอะไรอววรที่จะต้องส่งลูกสาวออกเรือนเจิ้งอวินฉงดื่มเล้าจนหลับไปแล้ว นางจึงค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างเห็นว่าในห้องของลูกสาวยังเปิดไฟอยู่จึงลังเลครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินไปดูห้องของหลีวานถูกตกแต่งด้วยสีแดงไปทั่วทั้งห้องดูเป็นมงคลยิ่งนักในห้องเต็มไปด้วยสินเดิมที่ครอบครัวเตรียมไว้ให้ตั้งแต่ตะเกียบหมอห้อไหจานชามมีครบทุกอย่างจนแทบจะเปิดร้านขายของชำได้เลยที่นางยังไม่นอนเป็นเพราะตอนนี้กำลังเตรียมบทความวิชาการอยู่พรุ่งนี้กับมารุนี้คงไม่มีเวลาแน่จึงตั้งใจจะเตรียมไว้ล่วงหน้าเสียวาน ดึกขนาดนี้จะยยังยุ่งกับการเรียนอยู่อีกหรือลีเดิมทีคิดว่าลูกสาวจะตื่นเต้นจนนอนไม่หลับใครจะไปคิดว่านางจะผ่อนคลายขนาดนี้ถึงขนาดยังมีแก่ใจเรียนหนังสืออยู่อีก